ยอมรับไม่มีใครสนใจเราเลยเนี่ยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็โอ้ยมักควรมากอ่ะนะว่ากัากกนนะตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายว่าตัวเองมีศีลเป็นคนดีอย่างงั้นเป็นคนดีอย่างนี้ น, น, น, ยนนะยกย่องตัวเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นกลุ่มระครั่งที่อะไรนะตีเองเนี่ยนะตีแล้วดังเองตลอดเนี่ยมันดังเองสะเทือนประจําเลยเนี่ยนะคนลักษณะนี้แหมหน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหม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 ทั้งๆ ท, ที่มีดีอยู่ฝักเดียวนะนะั่นแหะก็ดีดีๆีแต่ความคิดว่าตัวเองนะ่ะดีมากเนี่ยนะไม่มีใครดีเกินเนี่ยนะนะยกย่องแต่คุณที่ไม่มีอยู่เอ่อยกย่องถึงจริงก็เถอะแต่ว่าคนลักษณะนี้ก็เป็นคนขี้น้อยใจเนะนะี่ยนะมักโกรธพวกสายอ่าพวกปรารถนาเกินขอบเขตโดยมากก็มักโกรธเนี่ยนะนะถ้าเป็นคนมักโลภก็โดยมากก็จะด้านหน่อยนะด้านหน่อยแต่โดยธรรมดาแล้วค่อนข้างจะเป็นคนมักโกรธเนี่ยนะนะใครต่อแยยุ่งไม่ได้เลยเนี่ยนะนะ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 ชั้นนั้นเนี่ยนะก็เลยก็บอกเอยชั้นเท่านี้ก็แล้วกันนะลูกนะภาฐานี้ก็ชั้นเท่านี้แล้วกันไอขนมประเภทนี้นะที่เหลือชั้นข้าวไปก่อนแล้วกันอย่างง้นะเาบอกว่าขนาดแม่ยังไม่สามารถจะเอาใจไว้ได้หรือแม่คนมากๆเนี่ยนะขนาดแม่ของตัวเองอยังนำคาลมาเ ง, งั้นเถอะปกติเนี่ยใครจะรักรักลูกเท่ากับแม่ ขนาดแม่ยังรำคาญว่าไอ้ลูกคนนี้ทําไมมันเป็นนิสยัยมันเป็นอย่างนี้ตะกะตะกรามเหลือเกินไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็แค่ว่าเห็นเมื่อไหร่ก็ดูหมิ่นขนาดแม่ยังดูหมินเนี่ยมันหมดแล้วทําไม่คนอื่นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ว่าคนมากๆเป็นอย่างนั้นจะเป็นที่รักของคนชั่วเท่านั้นคนชั่วจะชื่นชมะนะแต่บัณฑิตทั้งหลายคนที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ตำหนิมันคนมากๆท่านเปรียบเหมือนอะไรอัขิขันโทสมุดโดจะมหิตโชจาปิปุคโล สกเทณะปะจยังเฮตุตะโยเจเตอะตัปิยาอคิขันโธก็แปลว่ากองไฟเนี่ยนะกองไฟใหญ่เนี่ยนะเอาฟืนไปถมดูเถอะแม้เบื่อเหลือเกินไอกองไฟกองนี้ฉันจะถมฟืนให้มันพอเนี่ยนะมันจะได้ดับสักทีหนึ่งโยนฟืนทุกอย่ามันก็ไฟมันก็ลุกเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มแล้วมันยิ่งอย่างที่สองสมุโดโยจะเนี่ยนะคือทะเลเนี่ยนะแม้แม่นะเปิดแม่น้ำทุกสายให้มันไหลลงทะเลให้หมด ถมทะเลให้มันเต็มทะเลเต็มไหมยากไม่หิดโชจะไม่หิดโชจะปิบบุคลโลบุคคลผู้มีความมากมากประเภทนี้ถมอย่างไงก็ถมไม่เต็มอ่าไม่เต็มเขาบอกว่าให้ยกแผ่นยาว่าแบบธรรมดาเลยยกแผ่นดินทั้งแผ่นดินให้ก็ถมไม่เต็มแล้วคนมากมากจะไม่มีความกระตันอยู่บุคคลกลุ่มนี้จกไม่ค่อยคือไม่มีความรู้สึกเต็มเมื่อไม่รู้สึกเต็ ม, ไ ม, ตมไม่รู้จักพอ จะสงสารคนที่คอยมาบำรงบำเรอปลนเปลยตัวเองไหมพวกนี้จะขาดเมตตาเนี่ยนะจะขาดเมตตาแม้กับพ่อแม่ผู้มีพระคนจะขาดเมตตาต่อผู้มีคุณทั้งหลายเรียกว่าขูดรีดเรียกว่าแม้ถ้าปูมันมีเลือดนีั้สงสัยจะไปขูดเลือดขูดรีดเอาเลือดในในปูมาอีกเนี่ยนะฉันใดคนมากๆนั่นเป็นฉันนั้นไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเนี่ยนะ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 อกตัญญูหรืออันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่ามีความอย่างคนที่เทว่าปรารถนาไม่เกินขอบเขตเนี่ยเวล า, าจะกลายเป็นคนอกตัญญูในชาดกมีอยู่เรื่องหนึ่งพระเทวทัตเนี่ยตกขอนไม้ไปอดีตชาติพระเทวทัตเนี่ยนะเป็นเจ้าชายเจ้าชายที่นิสัยเลวมากเลยเนี่ยนะเมื่อนิสัยเลวมากข้าราชการเกลียดเกลียดหมดเลยก็เลยเอาไปลอยน้ํา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 นีพอไปถึงเนี่ยราพราชาองค์เนียหมั่นไส้มากเลยเนี่ยนึกถึงแค้นความหลังครั้งที่เอาใจนกหนูเนี่ยนะงูมากกับตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องฆ่าก็เลยโปรยโทษลงเลยเนี่ยนะโปรยโทษใส่ฤๅษีคนนั้นแหละฤๅษีคนนี้น เ, นเลวร้ายเป็นคนไม่ดีโห โ, โจ์ขานตำหนิติเตียนแล้วก็สั่งประหารไปเลยไม่สอบสวนไม่วินิจฉัย ตอนหลังก็ฤาษีก็ได้แต่พูดคํานึงว่าไม่น่าช่วยเลยคนตกครอนไหมอย่างเงี้ยไม่น่าช่วยเลยอะไรเนี่ยนะนะเป็นต้นในที่สุดก็มีการสอบสวนขึ้นมาก็ประชาชนก็เลยรู้ว่าฤาษีเป็นคนดีก็เลยฆ่าพระราชาทิ้งเลยเนี่ยนะนะเขบอกว่าคนอากตัญยูเนี่ยพื้นฐานก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่งตั้งให้ฤาษีเนี่ยเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองแท น, นนะนะเขาเรียกว่าเมืองเมืองโบราณมันไม่ได้เมืองใหญ่เมืองโตมากะนะจะเป็นเมืองเล็ก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 ไม่ใช่เป็นคนลักษณะเชิญชวนแบบนั้นหรือข้าพเจ้าคือผู้มีศีลเนี่ยนะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลโฆษณาตัวเองเหลือเกินว่าเป็นคนที่มีศีลหรือตัวเองเป็นคนที่สงหัดคือวิเวกเนี่ยนะเป็นคนที่วิเวกชอบหลีเกเล่นอะไรเป็นต้นหรือเป็นพหูสูตดวุ่ำเรียนมากแดกฉานมากรอบรู้ไปทุกเรื่องเนี่ยนะ หรือเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงๆเลยนะฉันก็น้อยนอนก็น้อยชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติตลอดเลยนะแค่โฆษณาตัวเองขนาดนั้นหรือเป็นแบบเป็นคนที่มีสมาธิมีปัญญาหรือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระขี่นาศเป็นต้นถ้าเป็นคนอย่างนั้นจริงก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระริยาเจ้าคนทนมักน้อยจริงๆเนี่ยถึงมีศรัทธาก็ไม่ไม่ไม่ไม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 แทบไม่มีเลยว่าพระองค์พูดถึงพระองค์เองแต่จะพูดสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเว้นไว้แต่บางคนไม่ค่อยแน่ใจกับพระองค์พระองค์ก็จะเล่าในบางประโยคให้ฟังเนี่ยว่าเออเนี่ยพระองค์เป็นพระพู้เป็เจ้าจริงๆนะเพราะทํากิจหนึ่งของสามสี่นังต่อไปนี้เสร็จแล้วเขาก็เลื่อมใสเพราะเาเลื่อมใสเขาก็บรรลุมรักผลไปแล้วพระองค์ก็ไปแล้วเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แทบว่าไม่เคยขอร้องบอกไปเป็นบริวารของเราหน่อยนะอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็ไม่ ไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้ดำรงอยู่ในความเป็นผู้มักน้อยผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะ อ, อย่างสูงสุดแม้แต่เป็นพระอรหันตขีณาศพก็ไม่ปรารถนาจะโฆษณาตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์อย่างยกตัวอย่างเรื่องสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยนะสมัยพระเจ้าอโศกประมาณสักพศ200ส0 0เศษส0 0รต้นๆเนี่ยนะพระเทระเป็นพระมหาขีณาศพเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่เ่ย และมีบาทจีวรของท่านข้าวของเครื่องใช้ของท่านมีราคาบาทเดียวนะหมายความว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยบาทเดียวท่านได้เป็นประธานสงในวันฉลองวิหารของพระเจ้าธรรมาโสกราช